เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการทำบุญให้ทานรักษาศีลการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิและการฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญานี้เป็นปัจจัยสี่ของจิตใจร่จรางกายของเรามีความจำเป็นต่อปัจจัยสี่อย่างไ ร, จ, รจิตใจของเราก็มีความจำเป็นกับปัจจัยสี่ของจิตใจเช่นเดียวกันเปลียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของร่างกาย กับของจิตใจนี้ไม่เหมือนกันร่างกายต้องการอาหารอาหารของใจก็คือการทําทานร่างกายต้องการเครื่องนุ่งหง่มเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของใจก็คือความสงบสมาธิ ร่างกายต้องการยารักษาโรคภัยไข้เจ็บใจก็ต้องการปัญญาที่เป็นธรรมโอสุ์ที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจก็คือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจนี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทได้หมันมาสร้างปัจจัยสี่ ให้กับจิตใจกันอย่ามัวแต่สร้างปจัจจัยสีให้กับร่างกายที่มีวันที่จะต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้อยู่ต่อจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรื อ, อย่ะอยู่อย่างทุกยากอดอยากขัดแคลน ก็อยู่ที่ว่ามีปัจจัยสี่ทางใจหรือไม่ปัจจัยสี่ทางร่างกายพอตายพอร่างกายตายไปแล้วปัจจัยสี่ที่หามาถ้าเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแต่ปัจจัยสี่ทางใจนี้ถ้าหามาได้แล้วจะอยู่กับใจจะเป็นของใจเพียงผู้เดียว ไม่มีผู้อื่นจะมาเอาไปหน้านี่แหละความสำคัญของการทำบุญให้ทานของการรักษาศีลของการทำใจให้สงบเป็นสมาธิของการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาพราะจะเป็นที่รึ่งของใจ จะรักษาให้ใจอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายมีความอิ่มหนำสำราญไม่มีความหิวความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการให้ปัจจัยสี่กับจิตใจให้มากกว่าการให้ปัจจัยสี่กับร่างกาย ร่างกายพอเรามีปัจจัยสี่พออยู่พอกินไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไม่อดตายก็ควรจะพอแล้วอยากไปหลมกับการสร้างปัจจัยสี่แบบพิสดารวิจิตพิสดารเช่นสร้างบ้านราคาลาเป็นหลายสิบร้านด้วยกันซื้อเสื้อผ้าอาพร ที่สวยงามที่วิจิตรพิสดารที่มีราคาแพงแพงรับประทานอาหารที่มีราคาแพงแพงรับษารโรคภัยไข้เจ็บตามโรงพยาบาลที่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเป็นจำนวนมากเพราะผลมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต่างกันมากอยู่แบบคนจนอยู่แบบคนรวย ตายก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันแล้วก็ความสุขความทุกข์ใจก็จะต่างกันด้วยถ้ามัวแต่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายจนไม่มีเวลามาสร้างปัจจัยสี่ให้เก็บจิตใจร่างกายถึงแม้จะอยู่ดีกินดีอย่างไร แต่จิตใจนี้กับอดอยากขาดแคลนกบอยู่แบบขอทานอยู่แบบเปรตคืออยู่ด้วยความหิวด้วยความอยากด้วยความต้องการได้เท่าไหร่ก็จะไม่พอได้บ้านเพิ่มขึ้นอีกสองสามหลังก็ไม่พอได้รถยนต์เพิ่มขึ้นอีกสองสาคันก็ไม่พอได้เสื้อผ้าเพิ่มอีกสองสามตู้ก็จะไม่พอ เพราะว่าความพอนี้ของใจนี้อยู่ที่การทำบุญให้ทานถ้าไม่ทำทานแล้วใจจะหิวไปเรื่อยๆไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอดังนั้นแทนที่เราจะมัวแต่มาหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายมากจนเกินไปเราควรที่จะเอา เงินทองที่เราทุ่มเทให้กับการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลนี้มาให้อาหารกับใจจะดีกว่าด้วยการทำทานแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกิดความจาเป็นถ้าเราเอามาทำทานบ่อยๆ ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราจะพบกับความอิ่มใจสุขใจแล้วจะทำให้เราอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่แบบรูหราอยู่แบบวิจิตพิสดารเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเหมือนกับการที่เรา ทำบุญให้ทานแล้วก็อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายนี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งของจิตใจปัจจัยสี่ข้อที่หนึ่งก็คืออาหารถ้าไม่ทำทานแล้วตายไปจะไปเป็นเปรตเพราะว่าไม่มีอาหารเปรตก็คือขอทานทางจิตวิญญาณนี่เอง ที่จะต้องไปขอรับส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ที่เขาทำบุญอุทิศให้บุญที่เราอุทิศนี้แหละเป็นบุญที่เราอุทิศให้กับพวกที่เป็นเปรยคือพวกที่ขณะที่เป็นมนุษย์ไม่สนใจกับการทำบุญให้ทานสนใจกับการหาลาบยศสรรเสริญหาปัจจัยสี อย่างเกินขอบเขตเกินเหตุเกินผลอยู่บ้านราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านมีรถยนต์เป็นสิบคันแต่ไม่เคยทำบุญให้ทานเลยเวลาตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ได้มาจากการหาในขณะที่เป็นมนุษย์นี้เอาติดตัวไปไม่ได้เลย สิ่งที่เอาติดตัวไปได้แต่ไม่ไม่ทำก็คือทานการให้ถ้าทำทานแล้วจะมีทรัพย์ติดตัวไปทรัพย์ภายในใจทรัพย์ที่จะทำให้จิตใจนี้ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นขอทานจะจะทำให้ไปเป็นเทวดาให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้เสรูรปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ เพราะอำนาจของทานที่ได้ทำไวน้นี่ควบคู่กับการรักษาศีลทำทานอย่างเดียวยังไม่พอที่จะไปสวรรค์ต้องมีศีลด้วยถ้าไม่มีศีลทำบาป ท, ทำกรรมก็จะต้องไปเกิดในอบายแต่อย่างน้อยก็จะเกิดในอบายที่สุขสบาย เช่นไปเกิดเป็นสัตว์ที่น่ารักคนเห็นแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูอย่างดีสัตว์บางตัวนี้อยู่ดีกว่าคนอีกมีบ้านติดแอ์ให้อยู่มีเสื้อผ้าให้ใสมีช่างตัดผมตั้งช่างช่าตัดเล็บคอยดูแลรักษาอย่างดีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอนิสง์ของการได้ทำทาน แต่ไม่ได้รักษาศีลแต่ถ้าได้รักษาศีลและทำทานด้วยก็จะไปเป็นเทพจะมีรูปร่างหน้าตาวิจิตรพิสดารสวยงามจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดที่ละเอียดที่เป็นเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รูปทิพย์จนกว่าจะหมดบุญแล้วจึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่ผองใสหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอายุยืนยาวนานมีอาการครบสามสิบสองนี่คืออนิสง์ของการทำทานและการรักษาศีลศีลนี่แหละที่จะทำให้เรา เป็นคนที่เจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆคนเราจะเจริญจะสูงนี้ไม่ได้เจริญที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวงใส่แต่เจริญที่เสื้อผ้าอาภรณ์ของใจก็คือศีลธรรมนี่เองเช่นศีลห้าศีลแศีลส2 7รขอ้อผู้ที่สามารถรักษาศีลได้ ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ตกต่าไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นผู้ที่น่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือน่ารักนี่แหละความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยถานใจ ไม่ใช่สวยทางร่างกายความสวยทางร่างกายเป็นความสวยปลอมเพราะว่าถ้าร่างกายสวยแต่ใจไม่สวยก็จะไม่สามารถชนะใจผู้อื่นได้ถ้าต้องอยู่กับคนรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ใจใจไม่สวยงามนี้จะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยมีใครอยากจะอยู่กับคนไม่มีสีบ้างคนที่ข้า รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาคนอย่างนี้ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองแต่คนคนที่รักษาศีลได้นี่จะเป็นคนที่มีแต่คนรักคนชอบคนอยากจะสมาคมด้วย เวลาจะจ้างคนมาทํางานก็ต้องเลือกก่อนว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเช่นเอาเด็กรับใช้มาช่วยทําความสะอาดในบ้านถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีศีลนี่ก็ไม่อยากจะเอามาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะขนข้าวขนของขโมยไปหมดเผลอแล้วก็อาจจะฆ่าเราได้นี่แหละคือความสวยงามของคน ไม่ได้สวยที่ร่างกายแต่สวยที่จิตใจจึงอย่าเสียเวลาให้กับการเสริมสวยทางร่างกายเพราะว่าจะไม่เป็นความสวยงามที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้จิตใจตกต่ำแทงที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตแทนเพราะว่าไม่ได้รักษาสีนี่ ปัจจัยข้อที่สก็คือที่อาศัยที่อยู่ของใจเรามีบ้านไว้สําหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกทำร้ายทําลายไปเราก็ต้องมีที่อยู่มีบ้านของใจเหมือนกันบ้านของใจก็คือสมาธิความสงบ ถ้าใจมีสมาธิมีความสงบใจจะปลอดภัยจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆเช่นเวลาพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องวุ่นวายใจไม่สบายใจถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ก็จะหลบจากเรื่องวุ่นวายต่างๆได้ จะไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจในขณะที่อยู่ในสมาธิเหมือนกับร่างกายเวลาที่อยู่ในบ้านจะมีความปลอดภัยไม่เหมือนกับเวลาอยู่นอกบ้านนี้เราต้องทนทุกข์กับฝนฟ้าอากาศแดดลมต่างๆแต่เวลาอยู่ในบ้านแล้วปลอดภัยใจก็เหมือนกันเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิ ก็ต้องมารับรู้เรื่องราววุ่นวายต่างๆเรื่องนินทาสารเสริญเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องอะไรต่างๆที่ทำให้จิตใจต้องวุ่นวายต้องวิตกกังวลแต่เวลาเข้าไปในสมาธิแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายไม่มีเรื่องราวต่าง ๆ, ๆตามเข้าไป นี่แหลงคือที่อยู่อาศัยของใจดังเราจึงควรที่พยายามฝึกสมาธิกันสร้างสมาธิสร้างเรือนใจให้กับใจให้ได้เพราะถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะได้หลบจากภัยต่างๆได้เวลามีพายุมีฝนฟ้าก่ำรุนมแรง เราต้องหลบเข้าไปในบ้านชั้นใดเวลาเรามีพายุ ก, กระหน่ำชีวิตของเราเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไปถ้าเราไม่มีที่หลบภัยภัยก็เราก็จะถูกภัยเหล่านี้กระหน่ำจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจจนบางครั้งนี่อยากจะฆ่าตัวตายไปเพราะว่าไม่มีที่หลบภัยนั่นเอง แต่ถ้าเรามีสมาธิเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารากบุคคลที่เราลากไปเราจะทำใจให้สงบได้จะไม่ทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจจนถึงกับจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้นี่คือที่อาศัยของใจที่อยู่อาศัยบ้านของใจก็คือสมาธิการที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ เราต้องมีสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธได้ใจของเราก็จะเข้าไปข้างในจะไม่ออกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภพจะไม่ออกไปตามเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับจิตใจถ้าเราไม่มีสติ เวลามีเรื่องราวมากระทบนี้เราจะดินเข้าไปไม่ได้เวลาใครด่าเราเนี่ยด่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ยังคิดถึงเรื่องที่เขาด่าอยู่ยังไม่สบายใจกับเรื่องที่เขาด่าอยู่เวลาสูญเสียอะไรไปก็ยังคิดถึงเรื่องที่สูญเสียไปทั้งๆ ท, ที่เอากลับคืนมาไม่ได้อยู่ดีคิดไปก็ป่วยการไปเป่าๆทุกไปเปเ่าเ แทนที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเพื่อจะได้ลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ดึงไม่ได้เพราะไม่มีสติดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่เราจะดึงใจให้เข้ามาสู่ความสงบนี่เองัง้นเราเราจึงควรที่จ ะ, จะเจริญสติอยู่เรื่อย ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะจะไม่มีกําลังพอหรือเวลาที่เกิดมีการมีความทุกข์ใจจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบไ ด, ด้ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่สร้างสติไว้ก่อนดังนั้นเราจึงต้องสร้างสติตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนหลับ ให้เราดึงใจไว้ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดหรือเราจะถูกใจไว้กับร่างกายก็ได้ให้ใจเฝ้าดูร่างกายทุกปิริยาหมดของการเคลื่อนไหวไม่ว่ากําลังทําอะไรก็ให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะมีสติขึ้นมา และพอต้องการที่จะดึ่มใจให้ออกจากเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะสามารถดินได้เช่นเวลาไม่สบายใจเพราะมีคนมาพูดบาทมอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวๆความไม่พอใจไม่สบายใจก็จะหายไปนี่คือความสำคัญของสติ ถ้าไม่มีสติแล้วเราจะไม่สามารถสร้างสมาธิสร้างรื่ใจขึ้นมาได้เึียงขอให้เราพยายามฝึกสติกันให้มากๆเราทําได้ทุกแห่งทุกผลสตินี้ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่วัดเสมอไปถ้าไปอยู่วัดไปอยู่ที่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆก็จะทําให้การเจริญสตินี้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอยู่กับเรื่องราวต่างๆก็ จะยากหน่อยแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำมันก็จะมันก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะท่องพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะทำได้นี่คือการสร้างสมาธิสร้างเวือนใจที่จะเป็นที่หลบภัยเวลาเกิดภัยต่างๆขึ้นมาส่วนปัจจัยข้อที่สี่ก็คือยารักษาโรคใจ ยารักษาโลกใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆที่เวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราเข้าสมาธิไม่ได้เช่นเราอยู่ในเหตุการมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเดิมใจเข้าสมาธิไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมโอสถมาแก้ความทุกข์ใจถ้าเรามีธรรมโอสถมีปัญญา เราก็จะสามารถแก้ความทุกข์ใจได้เพราะความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความอยากของเราเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่แล้วว่าเวลาไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมา แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความวุ่นวายใจการที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องมีปัญญาปัญญาคืออะไรคือการเห็นความจริงใหเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไป เวลาหมดไปก็จะเสียใจหรืออยากจะได้ใหม่ถ้าหาใหม่ไม่ได้ก็จะเสียใจจะผิดหวังถ้าไม่อยากได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราเองเช่นเราไม่สบายใจกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะต้องตายไปความจริงความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี้ ไม่เป็นอันตรายกับใจแต่สิ่งที่เป็นอันตรายกับใจคือความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายต่างหากถ้ามีความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่ร่างกายยังไม่ทันเจ็บยังไม่ทันตายเลยเพียงแต่คิดว่าต้องเจ็บต้องตายขึ้นมาเทา่านี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแต่ถ้ามีปัญญา สอนใจให้รู้ว่าความตายความเจ็บนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจใจไม่ได้เจ็บใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เป็นอันตรายกับใจแต่ความเจ็บกับความตายของร่างกายไม่เป็นอันตรายกับใคร แม้แต่ร่างกายก็ไม่เป็นอันตรายเพราะร่างกายเขาไม่รู้ความเจ็บเขาไม่รู้ความตายเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บเขาไม่รู้ว่าเขาตายส่วนผู้ที่รู้คือใจกับไม่เจ็บกับไม่ตายแต่กลับไปทุกข์แทนร่างกายเพราะอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่พอมีปัญญาสอนใจให้รู้ความจริงอย่างนี้ใจก็จะถอนออกจากร่างกาย ไม่ไปอยากกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายใจไม่เกี่ยวด้วยเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่พอเป็นร่างกายของเรา ทำไมต้องมาอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอใจได้รับการสอนได้รับการอบรมด้วยปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมอใจก็จะต้องยอมรับความจริงก็จะไม่ต่อต้านความจริง จะไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปพอระงับความจจ็งได้ระงับความอยากได้ใจก็หายจากความทุกข์ก็จะไม่มีโรคทางจิตใจต่อไปใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนใครจะมาใครจะไปก็ไม่เดือดร้อน นี่คือปัญญาที่เรียกว่าธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคใจเป็นปัจจัยข้อที่สี่ของใจนี่แหละถ้าเรามีปัจจัยทั้งสี่ข้อปัจจัยสของใจแล้วใจของเราจะอยู่อย่างสุขสบายเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระ อ, อารานตัสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างปัจจัยสี่จนสมบูรณ์แล้ว ท่านจึงอยู่อย่างปรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราหมั่นสร้างปัจจัยสีให้กับใจด้วยการหมั่นทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ใจจะอยู่อย่างมีความสุขจะอยู่อย่างสวยงามจะเป็นที่รักชื่นชมยินดีของบุคคลต่างๆพระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะตายจากเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วท่านก็ยังเป็นที่รักที่เคารพของพวกเราอยู่ไม่ใช่เพราะร่างกายของท่านสวยงามร่างกายของท่านตอนนี้หายไปแล้วกลายเป็นพระาธาตุไปแล้วแต่ใจของพระ ของพระพุทธเจ้าต่างาที่ชนะความชื่นชมยินดีของพวกเราพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิและเจริญปัญญาการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรละตาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วกล้าปลอดภัยด้วยอายุวันนะัสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ